อย่างบางทีมก็คิดอะถ้ามองแบบไม่คิดก็ไม่คิดถ้าคิดเนี่ยมันออกเลยอย่างมองปากคนเนี่โอ้โหมันสกับปลกสิ่งดีนะปากคนน <c oughs> ี่นะเพระนั้นต้องระวังใครมีธรรมะสูงต้องรีบปิดตามองจมูกมองขนในจมูกมองตามองหัวตาหางตามองลึกเข้าไปถึงเอีส่วนบนของตาตัวล่างของตา มันโซกับโลกค่ะมองหูนึกเข้าไปข้างในมันโซกับโลกมองลึกเข้าไปในรูขุมขนเวลาอยู่กันใกล้ๆหรือส่องหน้าตัวเองกระจกเนี่ยมันน่าเกลียดแล้วถ้าเราวางหน้าอย่างหนึ่งมันก็หน้าเกลียดอย่าง น, นนะฮะเวลาส่องตอนตื่นส่องตอนง่วงก็อย่างหนึ่งแล้วบางทีมันมองเลยไปถึงอนาคางที่มองส่องกระจกเ้วมองเห็นกระดูก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 เงินทองเราจะเป็นสาระยังไงเราจะกินจะใช้เพื่อตั ว, ตวเราอันเป็นอย่างนี้มันจะมีค่าตรงไหนคิดตามท่านทันนะไม่ใช่ฟังแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้ถ้ามีกระจกส่องแล้วมันได้ความคิดนี้ก็ดีนะ แม้ถ้าเป็นพระรุ่นนี้ผมคงจะต้องช่วยในหะ้พวกเราหากระจกแม่ดันปลุกเสกฮนะเวลาสองธรรทมะจะปรากฏกังเหาตัวเองในกระจกก็เก็บไอความรู้สึกอันนี้ไว้ในใจที่แรกก็ยังไม่บอกใครแต่ใจมันชักดิ้นลนเลวอยู่ไม่เป็นสุขแล้ว <c oughs> อยู่มาวันหนึ่งภรรยาเกิดไปถูกงูกัดตาย พอภรรยาถูกงูกัดตายก็ทำนบพังเลยทีนี้มรณะสัญญาเกิดขึ้นอะไรแต่อะไรที่ตัวเองเราแวงเราแวงเลครับมันมาเกิดแล้วก็ว่าเอ๊ะนี่เดี๋ยวมันเกิดวันดีคืนดีมกาดเราอีกวว่างเลยเข้าวัดไปสู่พุทธสํานักที่เมื่อทรงมาเสด็จอยู่ที่พระเจตวัน ได้ไปฟังธรรมเมื่อได้ไปฟังธรรมแล้วก็เกิดว่าถูกอัธยาศัยสบใจพบทางออกถึงแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่สําเร็จก็ตางจนกระทั่งบวชก็ประหลาดว่าบวชแล้วก็สำเร็จยากพระองค์นี้ไม่ใจะสาเร็กง่ายสำเร็ จ, า ย, รจยากทําแล้วก็ฟุ้งซ่านทําใจมันเหมือนไม่รับธรรมะจนวันหนึ่งเนี่ยท่านเล่าว่าไปบินทบาท บ้างบ้านช่างที่เขาทำธนูทำศรก็ไปมองเห็นเขาทำดัดคันธนูอ่างไฟเออก็มานึกว่าไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตนี่เขายังทำของไม่ตรงให้ตรงได้เราทั้งคนเนี่ยลมอยู่กับตะบะอาตาปีคือธรรมะเราน่าจะดัดใจของเราให้ตรงได้ไม่ให้มันคดเชอไปนอกลูก่นอกทาง ก็ได้ความคิดได้สติเชือนใจไอไอความคิดลักษณะอย่างนี้น่ะอย่างน้อยเราก็เจอมาสามองแล้วก็กลับมาสู่ที่พักหลังจากบินทบาททำวิปัสนาด้วยความคิดนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่าถึงเวลาที่อินทรีพร้อมแล้วก็ได้สเสด็จมาสเสด็จมาด้วยพระองค์เองเลยโดยประทับ อยู่กลางอากาศลอยอยู่แล้วก็ให้โอวาดอยู่บนนั้นอันนี้คือที่ไหนถ้าท่านมาแบบฉายโอภาษก็บอกในนี้บอกว่ามาเองก็ให้โอวาดว่าให้บำเพ็ญความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรท่านก็ได้กำลังใจจากทั้งสองด้านรวมกันเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์โดยเร็วครัน้นในประวัติของท่านตัวนี้ อนี่ผมก็ยังไม่ได้ทําเอกสารสรุปใอ้งแง่มุมนะอย่างไอ้แรงบันดาลใจพวกนี้ยก็เป็นเรื่องน่าสนใจที่บางทีเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าสําหรับเราอาจจะไม่เกิดความรู้สึกอะไรแล้วก็สําหรับของเราเองที่เกิดความรู้สึกก็คนอื่นเขาอาจจะไม่เกิดความรู้สึกอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนก็รู้สึกได้เองบางคนก็ต้องมีคนมาทราามานมาชี้นำให้ถึงได้ความรู้สึกองค์ที่สามสิบครับองค์ที่สามสิบชื่อว่าท่านอุตติยะท่านอุตติยะเป็นชาวเมืองสาวัตถีเป็นลูกพราหมณ์ธรรมดาคนหนึ่ง ท่านุติยะนั้นเป็นคนที่มีบารมีทางการบวชมาดีมีความรู้สึกต้องการแสวงหาสาระในชีวิตมาก่อนหน้าที่จะพบพุทธศาสนาแล้วแต่เมื่อพุทธศาสนายังไม่เกิดขึ้นตัวยังไม่พบไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจึงไปแสวงหาอมาตะภายนอกโดยไปบวชเป็นปริภาชก ก็ศึกษาหาความรู้ปฏิบัติข้อวัดอย่างที่ปริพาชกในสำนักที่ตัวเองบวชจะพึงบอกพึงสอนจนกระทั่งพระรู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นและได้ทรงเสด็จมาที่เมืองสาวกตีก็คือที่พระเจดวันนี้จึงได้เข้ามาฟังธรรมกับเขาด้วยฟังธรรมในเพศของปริพาชกนั่นแหละครับ ตอนฟังทำนะ่ะก็ว่ายังไม่ได้บรรลุอะไรก็เห็นเห็นคนอื่นเขาประสบความสำเร็จในธรรมกันอันนี้ก็เราก็มานึกถึงหัวอกอย่างคนรุ่นเหล่านะบางคนก็ไปในที่ที่เขาฟังธรรมตัวก็เป็นแขกหน้าใหม่เอ้ไปเห็นเขามานั่งมักได้อะไร เอ้กเห็นเขาชีวิตเขาดีเอ้เรามาฟังแเราจะไม่รู้เรื่องอะไรไม่เห็นว่าจะมีทางได้อะไรจะดีขึ้นได้ยังไงนี่เป็นคำบลาลุกของบางคนแล้วก็บางคนก็ <c oughs> เขาไปปฏิบัติถูกชวนไปปฏิบัติปฏิบัติอยู่กับเขาเอ้ต้องมาทําแล้วก็จะได้อะไรเอ้ไอ้ที่เรารู้ว่าเขาได้อะไรเขาได้ได้ยังไงเราไม่เห็นมันได้อะไรนะแล้วมันจะได้อะไรด้วยการทํำยังไงคนทมันต้องต้องคิด ถ้าเข้าพวจไปแล้วมันได้มันก็หายตรงสายนะแต่ไม่ต้องคิดอย่างนี้ก่อนตัวเองเนี่ยเป็นคนแสวแหงหาอยู่ในใจเห็นคนอื่นเนี่ยเวลามาสู่ที่ฟังธรรมเนี่ยบางองค์ก็มาได้อะไรเห็นหน้าตาแจ่มใสอินทรีย์บองสบยพระบางโยมบงังบางคนก็เลื่อมใสมานนี่มลไปฉันดีบาดในวันรุ่งขึ้นสแสดงความเลื่อมสายท่านน้นท่านนี้ซึ่งตัวเองไม่ได้รู้สึกยังไม่ได้รู้สึกว่าน่าจะได้อะไร ท, ไทําไมตัวเองไม่ ไม่ได้ความรู้สึกอย่างเขาไม่เป็นอย่างเขาก็นึกว่าเราจะต้องหาหนทางให้ได้อะไรอย่างก็ได้เมื่อคนอื่นเขาฟาังทำจนกระทั่งได้เวลากลับกันแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพูนขอโอวาทขอยอดโอวาทที่มันเหมา ะ, าะอัศกาศพ้าวโลงเนี่ย เพื่อให้ได้เจริญในธรรมอย่างอื่นก็ได้พระองค์จรประธานให้ได้หรือไม่พรูที่เจ้าก็เลยให้โอวาทเรียกว่าขอโอวาทสังเกตแล้วก็โอวาทสังเกตเนี่ยครับถ้าใครฟังสติปัฏฐานสังยุตนะผ่านมาแล้วถ้าผมเอ่ยแล้วจะได้เลยและท่านจะจำได้ว่าพระสูตรนั้นชื่อว่าอุตตยสูตรด้วยพระผู้มีพระภาค เมื่อได้ประธานการบวชแก่ท่านอุตยาแล้วได้ให้โอวาทสังเขปว่าเธอจงยังเบื้องต้นชำระเบื้องต้นของพรหมจรรย์ให้บริสุทธิก่อนอะไรเล่าเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ที่เธอจะต้องทำให้บริสุทธิ์คือทิฏฐิกระสีนี่เห็นไหมครับอันนี้ชัดเลยว่า อุตยะเมื่อเป็นปริพาชกมาก่อนในทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งดูไม่ดกศีลเป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองยังมีทิฏฐิเป็นอย่างหนึ่งมีศีลเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยฟังแล้วถึงจะชอบแต่ว่าตัวเองว่าชอบแล้วยังไม่ล้างสมองของตัวเองที่ติดมาแต่เดิมออกเนี่ยไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นทิฏฐิจึงต้องชาระศีลจึงต้องชำระศีตลต้องไปศีนอย่างภายใน ทิฏฐิต้งเป็นทิฏฐิอย่างถูกต้องเจนบ่าไทยยังเป็นสัตสตาทิฏฐิอยู่อย่างทั่วไปก็ไม่มีทางจะเจริญบรร ล, ลุโสดาบันอย่างคนอื่นเขบรร ล, ลุได้จะไม่ศรัทธามั่นคงอย่างผู้ที่เขาบรร ล, ลุโสดาบันแล้วก็มีความศรัทธามั่นคงได้เพราะฉะนั้นสูตรนั้นจึงได้แสดงเบื้องต้นของพรมาจารย์แก่ท่านและเมื่อท่านได้ จับหลักเบื้องต้นได้จึงหลีกเล่นไปสู่การปฏิบัติในป่าเริ่มทาวิปัสนาจึงได้บรรลุประโยชน์ที่กุลบุตรผู้ออกบวชจะพึงได้บรรลุได้บรรลุเป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งในธรรมวินัยนี้นี่เป็นเรื่องราวของท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้นะ่ะ เวลาคนคนเข้ามาสู่บริยัตหรือแม้แต่คนปฏิบัติหรือแม้แต่คนมีปัญหาชีวิตเนี่ยเราต้องมองเบื้องต้นก่อนเลยว่าคนนี้นะไอมาตรฐานเบื้องต้นเขาติดขัดตรงไหนอย่าไปนึกเอาคุณทำวิปัสนาสิอย่าไปนึกเอาคุณไปทำใจสิอย่าไ ป, าไ ป, อ, ยาไปอย่าไปแนะนำเขาเอาคุณไป ทำอย่างงงอย่างนี้ถ้าดูถ้าคุณดูเบื้องต้นไม่ออกว่าเขาต้องขวาดล้างตรงนี้ก่อนแล้วใครที่มาอย่างนี้แล้วไม่ประสบความสําเร็จนดูเบื้องต้นเลยว่าคนนี้ต้องขวาดล้างเบื้องต้นออกตรงนี้ตรงนี้จึงจะประสบความสําเร็จได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอย่าได้ไปแนะนําอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เบื้องต้นยังไม่ได้รับการแก้ไขอันนี้เป็นเรื่องคล้ายกัน เบื้องต้นนจะเป็นตัวขัดขวางคนอื่นๆก็มีเบื้องต้นติดขัดอย่างอื่นอีก น, นะ น, นี่พูดถึงในขั้นที่จะทําให้เจริญในวิปัสสนากรรมฐานวิเดียจะมีองค์อืดึงที่มีข้อติดขัดอย่างอื่นต่อไปอีกนะะเป็นอันว่าบรรลุไปแล้วก็จะอ่าน คาถาคือท่านเองเมื่อท่านได้บรรลุเป็นพระอราหันต์แล้วก็เล่าว่าวันหนึ่งท่านได้กล่าวคาถาคาถาหนึ่งให้เป็นประโยชน์แก่กุลบุต ร, รุ่นหลังคือว่าท่านบอกว่าตอนที่ท่านไปเริ่มทำวิปัสสนาเนี่ยท่านเกิดอาพาธ แต่นี่แหละครับคือคนได้เบื้องต้นแล้วมีความขายันอยู่เป็นเจ้าเรือนเนี่ยถ้าคนขี้เกียจเราป่วยทำไงอ่ะหยุดทั่วกล่าวให้หายป่วยก่อนใช่ไแต่ท่านไม่อย่างนั้นท่าบอกนี้ป่วยเราต้องรีบทำใช้ความป่วยให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้รับความสำเร็จกรรมาฐานทั้งที่ก่อนหน้าสาเร็จนะป่วยอยู่นั่นแหละ ท่านจึงได้บอกเป็นคติว่าเมื่ออาพาธบังเกิดขึ้นแก่เราสติก็เกิดขึ้นแก่เราว่าอาพาธเกิดขึ้นแก่เราแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่เราไม่ควรประมาที่บอกว่าพอเจ็บก็รู้ว่าเจ็บป่วยก็รู้ว่าป่วยและเราไม่ควรประมาทเพราะอะไรไอ้ยิ่งอาพาธายิ่งไม่ควรประมาทเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าคนใจถึงจริงเนี่ยมุทีทําได้รับความอย่างท่านเนี่ยทำพอสําเร็จแล้ว อาพาธเราก็ไม่รู้รายละเอียดนะว่าอาพาธเนี่ยเกิดจากกิเลสหรือเกิดจากกรรมเกิดจากอุตุถ้าเกิดจากกิเลสแล้วก็พออาพาธหายไอ้พอกิเลสหายอาพาธหายกิเลสระดับนั้นที่เป็นสาเหตุอาพาธก็หายที่เรียกว่าเป็นอาการกรรมฐานนะป่วยที่เกิดจากการกรรมฐานสมมติเราอย่างคนเนี่ยกาลังโอ้โหท เต็มที่ปวดหัวมุนหัวน้ามึดเลยนะพขบอกเอ้ากลับบ้านได้โอ้โหเปลี่ยนเสื้อผ้าโลกสดใสเดินตัวปลิวไม่รู้ไอความกะระจัะเจงมาจากไหนสดชื่นจริงๆอีกองคหนึ่งองค์ที่สามสิบเ็ชื่อว่าขะหุวรติริยเะเถระชื่อเรียกยากหน่อยแล้วเราไม่คุ้นท่านด้วยนะขะหุวรติริยะ เะเป็นชาวเมืองสาวัตถีครับเกิดในสกุลพลาราหมณ์ปกติและการได้พบพระพุทธศาสนาได้เลื่อมใสจนกทั้งได้ออกบวชเนี่ยนะเพราะว่าได้พบพระพุทธเจ้าในพรรษาที่เจ็ดเมื่อทรงจะเสด็จขึ้นไปสู่ดาวดึงและแสดงยมกบฏิหารให้ปรากฏในตอนนั้น ท่านพู้นี้ได้ไปเห็นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงยมกวดิหารซึ่งมีการธรรมสากระช้าระหว่างพระพุทธเจ้าจริงกับพระพุทธนิมิตในที่นั้นด้วยก็เกิดความต ะ, ตะลึงพึงเพลิดด้วยอำนาจของความศรัทธาถึงกับคิดว่าเราต้องบวชและได้บวชจริงๆครับขอบวชหลังจากพระเจ้าเสด็จขึ้นสวรรดังก็ขอบวช พอบวชกับพระสาวกเมื่อบวชแล้วก็จเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในป่าแห่งหนึ่งก็ป่านั้นก็ชื่ อ, อย่างเป็นชื่อท่านนี่แหละครับคือข้าหูตีระท่านเป็นผู้อาศัยอยู่ที่ป่านี้จึงได้ชื่อว่าข้าหูวรตีริยะ ท่านก็บอกว่าความจริงชื่อตัวเดิมท่านเนี่ยท่านชื่อว่าอักขิทัตตาอคีขทัตตะเป็นชื่อเดิมของท่านก็ผมก็เพียงแต่บอกให้ปรากฏไว้เท่านั้นเมื่อได้บวชแล้วก็บำเพ็ญความเพียร อ, อยู่ไม่นานได้บรรลุเป็นพระอราหันต์แล้วก็ได้กลับมาเยี่ยมญาติที่อยู่ในเมืองสาวกทีนะครับพวกญาติทั้งหลายก็พากันมากราบไหว้ออก็ตามตำเนียมนะ มาทบุญทุญสอประวัติอดีตของท่านนั้นท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยที่ได้เกิดความเริ่มสายเกิดมโนปนิธานขึ้นมาในสมัยพระพุทธสิกขีตอนนั้นท่านเป็นในพรานได้ซ้ำในพรานล่าสัตว์ ก็ไปเที่ยวล่าสัตว์ตามป่าตามเขาตามธรรมดานะครับซึ่งก็บังเอิญตอนนั้นพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมโปรดเทวดายักษ์นาคอามนุษย์ทั้งหลายอยู่ในป่าอันนี้ก็ทำเหมือนอย่างเราได้ยินเรื่องพระรุ่นเรานี่ยคืท่านทรงสมาธิจิต ส, งสูงๆบางทีก็พูดพดเจนกระทั่ง เราก็ไม่รู้ไม่เห็นพระที่มาจากป่าอย่างเขียนมาแวะไปที่บ้านที่หนึ่งแถวสมุทรปราการก็ก็ไปสนทนาทันแล้วก็เวลานัา้นบอกว่าเวลานี้ยังไม่รับแข ก, ก เ, เ, เร า, าเจะไปเทศให้เทวดาฟังพูดหน้าได้เฉยจะไปเทศให้เทวดาฟังเทวดาแถวไหนบอกเจ้าแถววัดบรวร อยู่แถววัดบวรเนี่ยท่านมีกิจเนี่ก็เราก็ฟังเราก็จริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่ว่าท่านก็เป็นคนที่ปฏิบัติแล้วก็มีกว่าเรารู้ว่าท่านมีความสามารถทางกิตแต่เรื่องนั้นจริงไม่จริงทีนี้พระพุทธเจ้าท่านทำแน่ในเวลาไปแสดงอย่างนั้นเนี่ยในพรานไปเห็นเข้าก็ไอการตีความเวลาเห็ น, นอาจจะนึกว่าหนึ่งทำไมศรัทธาก็อาจจะมองไปในทางวิปรุงวิปราศอะไรไปเลยเนะว่าทําไมมาพูดีบบ ในถ้าศรัทธาดูลักษณะท่าทีคำพูรคำจาที่พูดออกมาแล้วก็คงจะเรื่อมใสได้แล้วก็พวกสัตว์ที่มานี่ก็มีทั้งกายที่กายหยางพวกดีก็ก็รู้เขามาเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จประรับกระแสได้ก็มาด้วยสำนึกอะไรบางอย่างคือ มันมีหลักอันหนึ่งว่าอันนี้ฝากเป็นข้อสังเกตและเป็นข้อที่จริงด้วยนะที่พิสูจน์ได้ว่าลักษณะคนอย่างคนรุ่นเราเนี่ยบางคนมีลักษณะทางให้สติคนสูงมากบางคนก็มีลักษณะทางทําลายสติคนสูงมากเข้าใจไหมพู้แกนี้คือพอเขาเห็นหน้าเนี่ยครับงุดหงิดขึ้นมาเลยกำลังอารมณ์ดีอยู่แท้แท หรือเห็นหน้าขึ้นมาแหม่ท่อขึ้นมาเลยขี้เกียจขึ้นมาทันทีเห็นหน้าก็มันโอ้ลมบโลกขึ้นมาเลยอาโศลจิตอีอย่างเลยเกิดขึ้นมาเลยนะฮะมันก็แล้วแต่นี่ก็ยกม่อย่างยกแต่อย่างในวงการอะไรต่อะไร้นะแค่เอ่ยชื่อทบองที่คนก็เกิดความโลภขึ้นมาแลยเกิดราคะเกิดโลภะอย่างงู้นอย่างนี้ขึ้นมาแต่บางคนเนี่ยพอเห็นหน้าแล้วเกิดสติขึ้นมาเลยเกิดความสงบขึ้นมากันนี่นะฮะ อย่างเช่นนะคนโกรธเนี่ยไปเห็นหน้าพระบางองค์โยมบางคนบางใจหยุดเลยนี่เขาเรียแค่ยังไม่ทันพูดนะแต่พูดสักนิดหนึ่งเนี่ยก็ เ, เกิดความรู้สึกมีความสุ ข, สขเกิดได้สติขึ้นมาทันทีเพราะนั้นคนบางคนนะ่ะลวงลึกไปถึงขนาดแม้แต่เดลิชานเดลิชานเนี่ยไปสัมผัสคนบางคนเได้สติได้สำนึกในกุศลขึ้นมาเลยนะ ได้ความรู้เรื่องขึ้นมาเลยพระพุทธเจานะ้าน่ะมีลักษณะอย่างนี้แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะไม่ได้แปลว่าทุกสัตว์เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ะจะบันดาลแต่แต่ว่าพูดถึงบุคลิกลักษณะเป็นอย่างนี้นึกออกไหมฮะพอนึกออกได้เองเยอะแยะใช่ไหมฮะอย่างคนที่มีบุญดีๆหลายคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ยเป็นอย่างนี้จริงๆอย่างอย่างในหลวงนี่ก็เป็นต้นคน พอได้ไปเฝ้าท่านหรือท่านสเสด็จป่าก็มีความรู้สึกที่เปลี่ยนหน้าจากที่ตัวเองกําลังรู้สึกอยู่ตอนนั้นทันทีและเพราะตรงนี้แหละครับคนใดที่มีบุคลิกที่อยู่ในข่ายในแบบพระพุทธเจ้าพระริยานี่ยถือว่าเป็นบุคลิกที่อนุเคราะห์ประชุมชนเป็นบุคลิกที่อนุเคราะห์ประชุมชนและถ้าใครเป็นคนมีบุคลิกตรงกันข้าม แบบพระเทวทัศน์นะเราก็ไม่รู้จะเอาการพจารณาโยกนน ก, กัน็นเป็นพวกทําลายเป็นอามิตรเรามันนึกถึงที่อย่างที่เขาบอกว่าเออพอพระดีๆท่านมาเนี่ยนะงูเงี้ยวเกี่ยวของูจงกมันมามันไม่ได้มากัดลระนะไอ้ถ้ามันมาเราเข้าป่าแล้วมันมาเราคงวิง่งหนับให้มันมาหาเราขอมาอีกแบบไอ้มานะเขามาเข้าม า, า, มาด้วยความรู้สึกอย่างนะ แต่ใค้ของเราเนี่ยเราไม่รู้มันมาทำไมก็หนีไว้ก่อนตีมันไว้ก่อนแนละ้วเราก็นึกไปตามภาษ า, าแล้วไอ้ท่านไม่มาเราก็ก็ไม่ว่าอะไรหรือเป็นปกติคงถัดอ่ามก็เพียจะบอกประกาศความเลื่อมใสและหลังจากนั้นก็เลยเลื่อมใสทิ้งอาชีพที่เป็นมิจฉาอาชีวะของตัวเองแต่บัตรนั้นและหลังจากนั้นจึงได้ ไปถืออุบัติเกิดขึ้นในแต่ะโลกไม่ได้ไปอบายภูมิจากความผิดในชั้นเบื้องต้นของชีวิตอีกองค์หนึ่งครับสามสิบสองชื่อสุปิยะท่านผู้นี้เป็นชาวสาวัตถีเกิดแต่ว่ากำเนิดของท่านนั้นไม่ดีเหมือนคนอื่นใช่ไว่า เกิดในสกุลของคนเฝ้าป่าชา้าก็คือสับเบลเอร์เนี่ยสับเบลเสมัยก่อนเนี่ยเขาจะประจําอยู่มีกระท่อมมีอะไรอยู่ที่ปา่าช้านั่นเลยครับเป็นบ้านพักอยู่ที่ทํางานแล้วก็ให้บริการคนตายได้บั่งไม่ได้บ้างได้น้อยบั่งมากบั่งน้อยบั่งไปตามเรื่องก็สกุลนี้น่ะโดยปกติก็ว่าคนเหยียดหยามคนก็ไม่อยากกบไม่อยากให้เข้าบ้านเลยทั้งใช่ไหมฮะ กัวจะมีผีสิงกลิ่นศพกลิ่นสางมาครับแล้วมันคงจะในบ้านของพวกสับเหลเอที่อย่างสมัยก่อนอยู่ประชาวิถีเนี่ยมันคงเตีกันยุ่งเลยกลิ่นศพเนี่ยไม่รู้ว่ากลิ่นในบ้านและอยู่นอกบ้านไหนบ้านนะแต่เราไปกินข้าวบ้านเขามันคงจะคลุกเคล้าได้กลิ่นศพแต่อิจฉุมูกเรามันชินกลิ่นเร็วมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาออย่างเราไปคงค ง, คงกินข้าวบ้านเขาไม่ลงและถ้าเขาเกิดใส่เสื้อผ้าที่มันคลุกอยู่กลิ่นศพมาเข้าบ้านเราเราคองนึกว่า ผีมาหรือคนมาก็เลยเป็นที่รังเกียจอย่างเนี้ยสมมุติว่าเอาอย่างรุ่นเราง่ายๆแต่อย่างมมต้องการสับเลืที่ก็ต้มศพอะไรๆเงี้ยนะเวลาเขาเข้าบ้านกลับบ้านเขาไอ้อย่างเด็กๆผงก็เคยเห็นมีตาคนเดี๋ยวนี้ยังจําหน้าตายได้ยังตายยังไม่รู้นะแกต้มศพเนี่ยนะต้มอยังแกต้มขาหมูเอาเนื้อออกเอากระดูกนะ เวลาเขาล้างศพอะไรแต่ไรผมก็ไม่รู้ก็มีวิธีแต่ศพแต่อย่างแล้วไอ้มือที่มันต้มศพมันอะไรมันก็เหม็นนะฮะต้มแล้วมันไม่หอมมือขาหมูหรอกผมมาใส่ผงวอลโล่ก็คงย่ำดับกลิ่นไม่อยู่เวลาแกกลับบ้านแกก็กไปทํากับข้าวนะฮะก็แกทํากับข้าวเก่งลูกเมียแกก็ ก, กินก็ไม่หวาอะไรล้างมือจากศพมากลับบ้านแกทํากับข้าว นี่จะเอามาเป็นกุ๊กที่บ้านไหมล่ะให้เราคงพระอือพระอมใช่ไหมพระอือพระอมเบนเจ้ามันเลิกหลายปีแล้วเออยังไงก็ยังชวนวะแต่ถึงเลิกนานแล้วตําปาเพื่อนไปว่าบอกนี้อาหารเนี่ยปรุงพิเศษโดยกุ๊กพิเศษนะเพื่อนคงพระอประอมอีกก็เลยเหมือนสังคมจะไปรังเกียจทั้งที่ว่าอาชีพเนี่ยความจริงเป็นอาชีพที่เป็นบุญ เป็นบุญอย่างดีทําดีเนะโหเป็นบุญมากเลยแต่เนื่องจากว่าคนไปทําเป็นอาชีพคนพอไปทําด้วยความคิดว่าไม่มีทางไปมันก็เลยกลายเป็นคนแต่ถ้าว่าคนที่เป็นอาสาสมัครไปทําเป็นเอาบุญอะไรเงี้ยก็ดูเป็นเป็นดีไปหน้าเริ่อมใสไปอย่างที่คนจีนเขาชอบทําตามละเวลาล่างประชงประชาเลยนะฮะเราก็มองด้วยความเลื่อมใส ขนาดมาเป็นพระเอกเรายังยอมดูหนังมาเนี่ยใช่ไหมะมีพระเอกที่เป็นตะเบลเรียกเป็นภาษาโบราณว่าตะเบลเนอะใช่ไหมฮะอันนี้ผมไม่ได้ว่ากันนะพูดเพื่อให้มันดูสมจริงสมจังนะิงมะเราก็ยังรู้สึกเราก็รู้สึกว่าเรื่องหน้าเริ่อมใสสําหรับคนที่ไปทําด้วยเจตนาทางบุญแล้วก็เลยทําให้ไอ้พวกใครตะใครในแวดวงน้ำมาทํากันใหญ่เลยครับ มีทั้งไอ้พวกไอ้พวกเล่นตะลงตะลงก็มาอาสาทรรมกันแล้วเขาก็บอกเขามีความสุขชีวิตเขาดูจะ ด, ดีขึ้นเราก็เชื่อว่าคนทำด้วยจิตเป็นบุญน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่กรณีนี้เขาทำด้วยอาชีพออกหนะ้ามันก็เป็นบุญอยู่บ้างนะ่ะก็อธิบายว่าเหตุใด บุคคลผู้ที่เป็นปัจฉิมพวิกษัตย์เกิดในยตาสุดท้ายไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยจึงมาเกิดในสกุลที่สังคมเ็าดูถูกอย่างนี้มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คือถ้าไอเรื่องปราชาเนี่ยถ้าพูดถึงวิสัยของสมณะแล้วมันกลายเป็นดีไปนะไอของที่ว่าโลกว่าไม่ดีเนี่ยกลายเป็นดีอย่างประชา้าเนี่ยดีมหมสาหรับพระผู้ปฏิบัติธรรมดี แต่ว่าผู้ที่จะแสวงหาความสูงในทางเบญจกรรมกุลมันก็ไม่ดีอยู่ป่าก็ไม่ดีเป็นคดาด่าอยู่ปา่าอยู่เขาอเงี้ยแต่พระอรหันต์หลายองค์ไปบรรลุหลังเขากัานเยอะอยู่ตามถ้ากลายเป็นพวกไอ้คนไอรอารยธรรมแต่อารยธรรมกลับจะเกิดกับสิ่งที่เขาว่าเป็นแหล่งไอรอารยธรรมเป็นอนารยธรรมอนาารยชนเพราะเยว่าอนาารยชนกับอารยชนเนี่ย อยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันและไอคนที่มาเป็นอนารายชนในชางธรรมะเนี่ยในแง่งธรรมะกลับมาอยู่ที่ดีๆถูกไม่ถูกไอทีโลกเขาว่ามันเป็นแหล่งอาริยชนใช่ไหมฮะไอยาเสพติดมันอยู่ที่ไหนล่ะโคเคนไขไ ค, คสูบได้ล่ะอะไรตัวเนี้ยแล้วก็ไอความประพฤติผิดศีลธรรมสารพัดอย่าง ชอลาดบางหลวงอะไรแต่ละพัดอย่างเนี่ยศียแต่ละข้อแต่ข้อลองไล่เรียงดูเถอะมันเกิดขึ้นที่ไหนถ้าต่อไปท่านบอกเลยว่าท่านสุปา ป, ปิยะที่มาเกิดในสกุลอย่างนี้เป็นเพราะอดีตกรรมที่ท่านได้ทำร่วมไว้กับการทำบุญนะอันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างอีกเครื่องหนึ่งในฝ่ายของพระเทระเราได้พูดถึงฝ่ายของพระเทรีมาแล้ว เล่าว่าในอดีตสมัยพระพุทธกสปะโรกุติเจ้าองค์ที่แล้วท่านเกิดในสกุลกษัตริย์เป็นบุคคลเกิดในวันนักษัตริย์และได้มาบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคพุทธกสปะนั้นด้วยความเลื่อมใสและเมื่อบวชแล้วก็ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในทางปริยัติคือแังนั้นบอกว่าทรงสูตรตแต่เพราะเหตุที่ทรงสูตรตนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความสามารถพุทธกัจจ ป, ปะพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วท่านเกิดในสกุลกษัตริย์เป็นบุคคลเกิดในวั น, นกษัตริย์และได้มาบวช ในสำนักของพระผู้มีพระภาคพุทธกาสปานั้นด้วยความเลื่อมใสและเมื่อบวดแล้วก็เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในทางปริยัติคือแต่นั้นบอกว่าทรงสูตรตแต่เพราะเหตุที่ ท, ทรงสูตรตนี่คือความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากความสามารถทางปัญญาและเหตุที่เกิดขึ้นในสกุลสูงในสกุลกษัตริย์ สววรวิบะในชาตินั้นดีกิเลสของท่านที่มีเป็นเจ้าเรือนอยู่ได้มาฉ่วยเอาไปเป็นอาหารเพราะเหตุที่ท่านเกิดในสกุลกษัตรินั่นแหละมาบวกกับความที่ท่านสังสมมานะมาจึงทำให้ท่านเมาชาติชาติมโทเมาชาติเมาด้วยมานะ จึงยกตนข่มผู้อื่นด้วยชาติมุดว่าเป็นพระด้วยกันพระวันนะต่ำพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าลองบวชเป็นพระและ้วท่านไม่ถือวันนะไม่พูดถึงวันนะให้เลิกเลยถือเอาตามอายุพรรษาถึงจะเอาสมมุติว่าคนสองคนคนหนึ่งเป็นทาสีเป็นเป็นทาสาคนหนึ่งเป็นเจ้านายมาบวช ด, ด้วยกันแล้วก็คนที่เป็นทาสาบวชก่อนบวชก่อนนี่ไม่ได้แปล ว, ว่าคนละวันเลยวันนั้นแหละ เหมือนอย่างช่างกระบอกบวชก่อนเจ้าชายลักยะที่เหลือมีพระาอนอ น, น์เป็นตนใครจะต้องไหว้ใครนายต้องไหว้ทาดต้องไหวให้ได้แลวไอ้ตรงนี้ถือเป็นการฝึกยอมรับล้างสมองไอ้การยึดถืออะไรอย่างเก่าให้ได้แต่องค์นี้ไม่ได้ละ ที่ไม่ใช่วันนากษัตริย์คนมีมานะมากไม่อยากคบโยมมาจะนิมนต์ให้ไปฉันสี่รูปให้เลือกวันณากษัตริย์วันนะต่ามไม่เอาถ้าเอาวัน น, นั้นไปอาตมาไม่ไปยกตนข่มคนอื่นเขาอย่างนี้เลยกลายเป็นบาปที่เกิดขึ้นกะ บ, บุญเรียกว่าบาปที่อาศัยบุญเป็นอาหารเป็นที่อาศัย และความที่ตัวเองเป็นผู้ทรงสุตะเนี่ยก็เอามาเป็นข้อยกตนของผู้อื่นด้วยกิเลสที่มันจ้องหาเหยื่ออยู่ดีมามันก็เอาเป็นอาหารทั่วมามก็เอาเป็นอาหารเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้คนมีกิเลสแล้วไปแล้วเล่นกับความดีเนี่ยกับความชั่วเนี่ยถ้าถามว่าอันไหนน่า ก, กลัวกว่ากันมันมีแง่มุมที่ไม่แน่แล้วครับถ้า ไอ้กิเลสบางตัวกับความดีเนี่ยไม่ควรอย่างเช่นโทสะกับความดีกับโทสะกับความชั่วกิเลสคือความก โ, โกรธโกรธความชั่วกับโกรธความดีใครได้บาปมากกว่ากันโกรธคนชั่วโกรธคนดีใครได้บาปมากกว่าันโกรธคนดีได้บาปมากกว่านี่คิดถึงเรากิเลสตัวนี้ถ้าเป็นมานะยกตนด้วยสิ่งที่ดีถือตนด้วยสิ่งที่ดี ไอ้สิ่งถูกถือดีตัวถือไม่ดีกลับไปถือสิ่งที่ไม่ดีเช่นว่าเออเราฆ่าสัตว์เก่งมานะว่าฆ่าสัตว์เก่งฆ่าสัตว์เป็นความชั่วมานะก็เป็นความชั่วถือตัวว่าเราเรียนทำ ม, มากเก่งไอ้สองอย่างนี้ใครบาปมากกว่ากันมานะกับความชั่วบาปมากกว่ามานะกับความดีบาปน้อยกว่า แต่ถ้ายกตนข่มคนอื่นไอ้มานะมันมีหลายกรณีครับนี่ผมยกเป็นกรณีบางการณีนั่นแนหะแต่อยากจะบอกมันไม่ใช่ทุกกรณีถ้ายกตนข่มคนอื่นที่เป็นคนดีกับที่เป็นคนชั่วอันไหนบาปมากกว่ากันคนดีบาปมากกว่าทีนี้เมื่อตัวเองมาอยู่ในสังคมพระไอ้คนที่จะไปยกเขก็ ดีก็มีไม่ดีคือมีโดยมากต้องถือว่า ด, ดีใช่ไหมละ่ะตึงคนมีศีลก็เลยโอกาสที่มานะขึ้นมาแล้วจะเกิดบาปมันก็มีมากไอ้ความดีก็ทําความบาปก็อาศัยเกิดเลยมันแฝดกันมาไงครับอั น, นี้ที่บอกบ่อยๆว่าความดีกับความชัว่วถ้าทําคู่กันเนี่ยมันแฝดกันมาแต่ว่าโลกิยากุศลมันต้องมีบาปเข้ามาเกี่ยวทั้งนั้นเกี่ยวมากเกี่ยวน้อยเรามีหน้าที่ระวังปัดไม่ให้มันเข้ามายุ่งนี่คือหน้าที่ของเราต้องบริหาร ถ้ามันมากก็ให้มันเหลือน้อยนีย่ถือเป็นความสําเร็จเพราะไอ้ตรงนี้แหละครับเราถึงเราเ้าเรียกว่ามีทุกขล า, าบลาบทั้งหลายที่เรามีความสําเร็จทั้งหลายที่เรามีเนี่ยมันแฝงด้วยความล้มเหลวความสูญเสียมากบ้างน้อยบ้างเพราะไอ้กิเลสมันมันทําให้เสียพอพ อ, พอนึกออกไหมว่าเราประสบกับอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีอะไรไม่ดีติดติดเลยเพียงแต่ว่า ไอผมพมก็สังเกตตัวเขาเองว่าไอความสําเร็จบางอย่างเนี่ยผมไม่แตะเด็ดขาดแต่แล้วเมื่อไหลละเสียทันทีไม่บอกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะมีคนมายัดเยียนนะแต่แล้วเสียทันทีเลยเรารู้ว่าเราไอตรงนั้นเรามีบาปไปเยอะไม่เอาเพราะถ้าขืนไปเปิดเปิดประตูลับมาโจมมันแทรกเข้ามาด้วยอะไม่เอาแขกไม่รับแขกประตูนี้บอกมามามาเข้ประตูนี้อันนี้ฝากสังเกตด้วยนะ แล้วผมก็แอบสังเกตคนที่เสียหายเพราะไอ้ความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยว่ามันก็เป็นลักษณะนี้บางคนเราก็พอรู้บางคนก็เดาๆเอ า, เอาแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้นี้เมื่อในยุคในสมัยวิจยุบันตร์นที่ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ได้บวชกับพระพุทธเจ้า ได้มาฟังธรรมจากพระเพื่อนองค์หนึ่งพระเพื่อนองค์นี้ก็วิ่งเล่นกันมาในปา่าช้าเดี๋ยวจะมีประวัติท่านในลําดับต่อไปชื่อว่าโสปากะเถละมองต่ําลงไปอีกองค์เจอเจอท่านเลยเป็นพระสหายที่วิ่งเล่นกันในปา่าช้าเดียวกันเติโตมาด้วยกันแต่ว่าเพื่อนมาบวก่อน เมื่อเพื่อนมาบวชตัวก็มาฟังธรรมเพราะเพื่อนมาบวชแล้วก็อยู่แถวๆวัชชาเนี่ยแหละครับวัชชาสมัยก่อนปัชชาใหญ่ป่ามเยอะก็อยู่ไม่ใช่มาอยู่กลางปัชชาอยู่ในอาณาบริเวณที่สําคัญหมายให้ว่านี่เป็นเขตปัชชาฟังธรรมมาจากเพื่อนก็เลื่อมใสเลื่อมใสก็บวชบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามเพื่อนไป ในเวลาไม่นานแต่ในประวัติไม่ได้บอกเวลาเอาไว้อ่คราวนี้ก็มาดูประวัติเพื่อนของท่านที่ว่าที่ชื่อสวสปากาเป็นก็แน่แล้วครับเป็นชาวเมืองสาวัตถีเหมือนกันประวัติของท่านผู้นี้น่ะออกจะโลดโผนกว่าองค์มือกีหนักข้าไปหน่อยคือท่านเกิดเป็นลูกของคนยากจนความจริงแม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนในประชาหรอก เป็นคนอนาถายากจนที่อื่นแม่ตั้งท้องได้สิบเดือนปรากฏว่าไม่อาจจะคลอดได้ถึงก็สลบไปได้รับทุกเวทนาแม่สลบไปเลยพอสลบไปแล้วญาติก็ น, นึกว่าตายแล้วก็เลยเอาัอ้าก็เพาทั้งแม่ทั้งลูกแล้วกันก็อาไปที่เชิงตะกรเผา พอไปขึ้นเชิงตะกอนแล้วฝนเกิดตั้งเขาลมมาความท่าฝนจะตกพวกอยากจะเผาศพคนนก็เอางั้นเราหลบหนีฝนกันเลยก็ขืนจุดไฟก็ทมไมไฟไม่ติดเสียเสียแรงจุดไฟต้องเผากันอีกเสียเวลาเปล่าล่าก็หลบท่านบอกว่าไอ้ไที่ว่าฝนจะมาจะมาเนี่ยทันไม่ใช่หรอกเป็นเรื่องหน้านเทวริศ ต้องการจะให้พวกญาติไหนะหยุดการเผาศพเพราะว่าเทวดารู้อยู่ว่าสัตว์ที่อยู่ในคันของหญิงที่ตายเอ็งเห็นยังไม่เรียกตายทั้งกลมนะหญิงที่ตายอ่ะพูดแล้วอย่างกจะบ้างว่าตายทั้งกลม่ะแต่จริงๆไม่ทั้งกลมหรอกลูกยังไม่ตายเป็นปัดชิมพรวิกษัตริย์ก็ช่วยเรียกว่าสร้างสถานการณ์ปกป้อง จากนั้นเด็กก็คลอดออกมาด้วยอำนาจของเทวฤทธิ์เทวดาทำคลอดในดีนะพูดที่นี่แต่พูดที่อื่นเนะี่ยผมต้องโดนพูดํำนวนเดี๋ยวนี้โดนเบรกไปแล้วหน้าแตกพูดอะไรไม่ได้แล้วพูดไปก็หมดสนุกนะทั้งคนพูดคนฟัง ก็ยังว่าคนมีบุญเนี่ยเทยวดาเขาปลกป่ารักษานะฮะอย่างที่โบราณพูดกันแ่ะสอดคล้องกันในหลักวิชาก็เอาเด็กเนี่ยครับไปส่งให้คนเฝ้าป่าช้าเลี้ยงอีกบ้านไม่ใช่บ้านนั้นก็คงจะเป็นเพื่อ น, นกันแหละดีไม่ดีเป็นญาติพี่น้องกัน้วย ไอ้คนฝ่าป่าช้าก็เลี้ยงมาจนกระทั่งเจริญเติบโตแล้วก็วิ่งเล่นกไงเด็กชายสูบิี้ก็เล่นกันในปา่าช้าเด็กโลงทา น, นก็เห็นเล่นกันหน้าแมมนมแมมงนี่โลงฐานก็เห็นไหมพ่อมันก็พ่อแม่มก็เปื้อนตั้งแต่หัวจนเท้าลูกก็เล่นเปื้อนอย่างนั้นมันจําเป็นต้องเปื้อนอาบน้ําก็ไม่ได้อาบทั้งวัน ไอซอยบ้านผมมีโลงะฐานแล้วเวลาเดินผ่านแล้วก็อดมองไม่ได้เด็กเนี่ยลูกทุกคนหน้าก็มองก็แหม่มเล่นกันไอลูก้าบ้านเขาไม่มากาเล่นด้วยกลัวเปื่อนมันก็เล่นกันเองพ่อแม่ก็เปื่อนถ้วยชามลามหายมันก็อดเปื่อนฐานไม่ได้มัน ก, าก้ากินกระฐานเปื่อนอย่างเงี้ก็ไม่ตกกระปล ก, กนะฮะฐานมันกินได้ใช่ไหมฮะมันไม่สกกระปลกเหมือนอย่างไอไอของบางอย่างในนี้นเด็กไฟชามก็คงอย่างเงี้ย มันคงชินกับไอส้สากโศกไร้สารมาสปอปอสมโก ล, ล่ะคงไม่กลัวโศกกลัวผีนะดัง น, นั้นพวกนี้ก็จะไปทำพวกอสุภะกรรมฐานไม่ขึ้นอ่ะพวกโตในประชาเนี่ยก็ไปอานว่าโตขึ้นมาแล้วก็เป็นเพื่อนเล่น <c oughs> ออพระพุทธเจ้าได้ทรง แค่ขายพยานทุกเช้าอย่างที่เรารู้กันก็มีภาพของเด็กชายโสปกะไปติดอยู่ในขายก็ทรงรู้ว่าจะต้องเสด็จเข้าป่าชาเพื่อไปโปรดเด็กเราอ่านแล้วก็ชื่นชมหลวงพ่อเจ้าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะฮะไม่เลือกว่าเด็กกวผู้ใหญ่ เทิดโปรดไปตามเนื้อผ้าก็ไปยืนต่อหน้าเด็กที่ใดที่หนึ่งในประชาเด็กเห็นพระพุทธเจ้าเข้ามัก็คลายๆบารมีมีก็เลื่อมใสก็มาทําความเคารพและยืนในนี้ใช้คําว่ายืนเลยนะยืนอยู่ที่ใดที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมให้เด็กฟังเด็กนี่คือเด็กชายโส ป, ปกาเนี่ยนะ พอฟังธทมแล้วก็เรื่อมใสถึงก็ขอบวตเลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องไปขออนุญาตพ่อแม่ก่อนก็ยังเด็กด้วยก็ไปขออนุญาตผู้ที่เป็นพ่อในนี้ไม่ได้พูดว่าพูดเป็นแม่ผมพูดเลยไปนะบอกว่าคนเป้าป่าเช้าคนนี้จะมีภรรยายหรือเปล่าไม่รู้นะก็ไปขออนุญาตพ่อพ่อก็อนุญาต ให้บวชเพราะว่าพ่อเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความเลื่อมใสพระเจ้าอยู่พอสมควรก็เนื่องจากว่าตัวเองเกิดเป็นคนในสกุลอย่างนั้นแล้วก็พระอย่างนี้มาคบหาสมาคมด้วยก็เขามีความเจียมด้วยอเจียมตัวอยู่เยอะแล้วพอบวชแล้วนะเราลองคิดดูครับพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำกรรมฐานอะไรไม่ใช่ถูกกรรมฐาน แนะนำด้วยเมตตาแม่คนอยู่กับบาชาเนี่ยอยู่กับงานศพเนี่ยเห็นความน่าสงสารคนนะบ่อยใช่ไหมฮะคนลูกก็ตายเมียก็ตายผัวก็ตายก็มีแต่ความเศร้าโศกปรากฏให้เห็นก็ทรงแนะให้เจริญเมตตาเมื่อท่านบสนหน้าก็เจริญเมตตาก็จเจริญอยู่ใน ป่าใ น, ในที่ใกล้ๆป่าช้านั่นแหละครับป่าบริเวณนั้นจนกระทั่งได้เมตตาเจโตวิมุตคือได้ฌานเพราะการเจริญเมตตาว่าต่อการไม่นานเลยคำนวนแล้วก็ใช้ฌานนั้นฌานที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นบาทรําวิปัสสนาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในที่แล้วก็ได้กล่าวธรรมาพาสิท แก่ภิกษุทั้งหลายพวกที่อยู่ป่าเป็นวัดในการต่อมานะ่นี่หมไม่ใช่ตอนนั้นหรอกพอเมื่อท่านอาวุโสขึ้นท่านก็มีอุทธิภาวะมีวัยวุธพอที่จะสอนพระลุ่นหลังได้ท่านก็สอนก็สิ่งที่ก็สอนเป็นเมตตานี่ก็เป็นธรรมดาครับคนที่ประสบความสาเร็จในทำรรอะไรอะไรเพราะนั้นก็เป็นความประทับใจที่จะอยากพูดอดสอนไม่ได้ ลองมาฟังคำสอนของท่านนะฮะสั้นนิดเดียวท่านบอกว่าบุคคลพึงมีเมตตาในบุตรคนเดียวผู้เป็นที่รักฉันใดภิกษุพึงมีเมตตาในสัตว์ทั้งปวงในที่ทุกสถานฉันนั้นอันนี้เพื่อเทียบความรู้สึกคือเวลาแสดงทำให้คนเข้าใจเนี่ยต้องเทียบเอาความเข้าใจที่เข้าใจอยู่ก่อนถ้าจะพูดให้คนได้ความรู้สึกเนี่ยต้องเทียบกับความสืกที่กระจายอยู่ก่อน อย่างเมตตาเนี่ยถ้าคนเราจะถูกถามว่าแผลเมตตาแผลยังไงเมตตาเป็นยังไงผมเคยถูกถามมาแล้วแล้วคนถามนะผมก็รู้เขามีบุตรเป็นที่รักผมก็บอกคุณรักลูกคุณไหมล่ะแล้วคุณรักเนี่ยคุณอยากให้ลูกคุณเป็นยังไงเอาลูกคุณนี่เรียนคุณอยากให้ได้ไหมลูกคุณนี้อยู่ในวัยจะมีครอบครัวคุณอยากให้เขาเจอเนื้อคู่ทีดีๆไหมแล้วคุณเคยอวยพรเขาไหมคุณเคย แผ่ความปรารถนาดีให้เขาไหมเห็นลูกคนอื่นเขาไม่เป็นอย่างนี้แล้วคุณนึกลูกคุณคุณอยากให้เป็นอย่างนั้นหรืออยากให้เป็นโครงการเขาเขาบอกนั่นแหละคุณแผ่อย่างเนี้ยแล้วก็ย้ายความคิดนี้มาให้คนอื่นนะนี่แล้วยิ่งมีลูกคนเดียวก็ยิ่งชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านก็เปรียบเทียบเอาไว้อย่างนี้ด้วยอํานาจปกติธรรมของท่านที่เจริญเมตตาเ อ, อผมจะพูดไปถึงห้าโมงครึ่งนะฮะ เพ่อชดเชยเวลาที่เสียไปใล้จะกลับก่อนก็ขอเชิญได้ <c oughs> องค์ถัดไปคือองค์ที่ชื่อว่าโปริยะนี่เป็นลูกเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีท่านเองเนี่ยเป็นน้องชายคนเล็กสุดของพระสังฆามชแล้วยังไม่ได้พูดถึงท่านสังฆามชนะีเป็นพระที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรสำคัญสุด เ, เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็แต่งงานแต่งการมีลูกคนเดียวแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งท่านก็เกิดความสลดใจเบื่อชีวิตคารวะอยากจะบวชก็บวชเข้าป่าชาจเจริญกรรมฐานอันนี้ระบุบับไว้ได้วยว่าจเจริญจะตุสัจากกรรมฐานคือทรมานุปัสสนาฝ่ายหรือข้อที่เรียกว่าอาเรยสักสีถ้าใครไปเปิดดู ในสติปัฏฐานนะแล้วมีข้อหนึ่งคืออริยสัจสีนั่นแหละครับท่านเจริญแบบนี้แบบเดียวกับท่านเป็นแบบเดียวกับเบญจวัคคีเบญจวัคคีก็เจริญวิปัสสนาด้วยอํานาจของทีแรกนะครั้งแรกเนี่ยด้วยอํานาจของอริยสัจสีที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในธรรมจักกะปตนะสูตร อ, องค์นี้ท่านก็เจริญอย่างนั้นแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระหลานในการต่อมาก็ กลับมาสู่เมืองสาวัตถีมาฝ้าวุธเจ้าด้วยที่ประทับอยู่ที่ประเชตะวันคือแสดงว่าตอนที่ท่านโบทท่านคงจะจาริกไปสู่ป่า น, น้อยใหญ่ที่อื่นแล้วก็ไปเยี่ยมญาติข้างฝ่ายภรรยาเก่ารู้ว่าท่านมาก็ดีใจแต่ตัวเองก็ไม่รู้ธรรมเนียมสงฆ์เข้าไปหาก็ไปปนิบัติ เช่นกับสมัยที่ยังเป็นคารวาสผู้คลองเรือนก็ไม่รู้ปฏิบัติยังไงแต่ว่าพระรับปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้แล้วกันท่านก็นึกในใจว่าเออเขาไม่เข้าใจาศาสนาเลยนะไม่ใจเรื่องไม่เข้าใจเรื่องพระเรื่องเจ้าเลยก็ทํายังไงก็อยากจะทําอย่างนั้นทําความรู้สึกเก่าๆท่านก็เลยบอกอยู่ไม่ได้แล้วถ้าคืนอยู่อย่างนี้ใครมาเห็นเข้าเสียหายแย่ เลยรีบกลับเข้าไปอยู่ป่าอย่างเก่าพอเข้าไปถึงป่าเพื่อกระถามว่าเป็นยังไงไหนว่าจะไปเยี่ยมญาติไม่เจอญาติยลงไงบอกเจอเจอแล้วจะปฏิบัติแบบอย่างเก่าแล้วอยู่ไม่ได้เลยกลับเข้ามาอยู่ในป่าได้อย่างเดิมองค์ที่สามสิบห้าองค์ที่สามสิบห้าชื่อว่าสามัญญาการิ ท่านผูกนี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีครับและเป็นลูกของปาริภาชกเ อ, อหลายคนเนี่ยฮะเราได้ยินว่าเป็นลูกปาริภาชกปาริภาชกเนี่ยมีทั้งปาริพาชกที่เขาแต่งงานได้ก็มีเยอะนะอย่างสัตจการที่โกรธเนี่ยก็เป็นลูกปาริภาชกพ่อแม่เป็นปาริภาชกที่เก่งเจ้าวัดชีจับแต่งงานกันและได้ลูกแล้วก็พวกที่เขามีลูกไม่ได้ก็มีก็คล้ายๆพวกลามะของ ที่เบตเขาแหละมีหลายชั้นเทตที่เริ่มใสพระพุทธศาสนาถึงกระมาบดเนี่ยเพราะเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เข้าไปสู่ที่แสดงยมกปฏิหารอีกองหนึ่งแล้วก็เริ่มใสจึงได้ออกบดแล้วก็ได้ทำวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังจนบรรลุเป็นพระลหลนันจะเล่าต่ออีกนิดหนึ่งว่า เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นปริพชคเหมือนกันปริพชคในเมืองสาวัตถีตอนนั้นนั้นท่านเล่าว่าลำบากคนไม่ค่อยนับถือลาบสการะก็ไม่ดีลาบสการะได้มาปรากฏแก่พระพุทธศาสนาปริพะชค ที่เป็นอดีตเพื่อนก็มาถามว่ามีเคล็ดลับอะไรที่จะทำใ ห, ให้ความเป็นอยู่ไม่ฝื้นเครื่องเวลานี้พวกเราฝืนเครื่องอดอยากคงก็ไม่เคยนับถือพระสมณะโคดมและท่านมีเคล็ดลับอยากจาก้บอกเคล็ดลับก็เนี่ยเป็นโอกาสนะที่ท่านจะได้สอนธรรมะคนเราเนี่ยบางทีอยากได้อย่างหนึ่งแล้วมาถามหาปฏิปทาอย่างเดียวกันเนี่ยนะ ตั้งความมุ่งหมายไว้อันหนึ่งก็ไม่ผิดหรอกปฏิปทานั้นให้ความมุ่งหมายแต่มันไม่ใช่ที่สุดของปฏิปทานนะก็เลยให้ธรรมะให้ธรรมะก็คือให้การปฏิบัติไตรสิกขาทานศีลพออาศีน ส, ส, สมาธิปัญญาก็คือวิปัสสนานี่แหละครับบอกว่าถ้าอยากจะล่ำรวยด้วยราศากาละก็มานี่จนกระทั่ง บอกว่าไอ้ความสุขความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นั้นมันอยู่ที่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็เลื่อนความต้องการให้สูงขึ้นในที่สุดเพื่อนก็หันกลับมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาอีกองคหนึ่งครับขอเป็นองค์สุดท้ายสาหรับวันนี้ชื่อว่าก um ุมาปุตตะท่านกุมาปุตตะเนี่ยเป็นชาวอาวันตี อวันตีเป็นชื่อแควนนครหลวงชื่อว่าอุเิแต่ว่าท่านไม่ได้เกิดในเมืองอุเชนีหรอกนะในนี้บอกว่าเกิดในเวลุกันดกะนครคงเป็นนครหนึ่งหรือเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่อยู่ในแคว้นอวันตีเกิดในตระกูลกษัตบดีชื่อตัวของท่านเดิมในชื่อว่านันท์แต่บังเอิญแม่ชื่อว่ากูมาจึงเรียกชื่อท่านว่ากูมาปุตตะ ที่มาบวชในพระวุทธศาสนาเพราะได้ฟังธรรมของพระสารีบุตรเลื่อมใสกระทั่งได้ทิ้งโพคสมบัติออกมาบวชบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ที่ท้ายเขาแห่งหนึ่งแต่ไม่สำเร็จก็ไปเข้าฟ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อขอฟังธรรมที่เป็นประโยชน์อันนี้ฟังคำพูดท่านไว้ดีที่เราเรียกว่าสอบกรรมฐานเนี่ยภาษาคัมภีร์ไม่ได้เรียกอย่างนี้ ท่านใช้คําว่าชําระกรรมฐานชําระชําระเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าวิโสทนะชําระกรรมฐานถ้าเราจะใช้ศัพท์เป็นแบบไทยแต่แปลมาอย่างภาษาโบราณเนี่ยเรียกว่าชําระกรรมฐานนี่หมายความว่าตอนที่ท่านฟังธรรมจ้าพระตาริบุตรเรียนกกรนู้กรรมฐานแล้วไปปฏิบัติในป่าเนี่ยกรรมฐานไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มาเพราะว่า ไอ้ไม่ไปซื้อก็หมายถึงมีกิเลสเข้ามาแทรกมาอะไรเงี้ยต้องแก้ไขต้องชี้แจงต้องทำความเข้าใจชี้ผิดชี้ถูกให้ดีเมื่อมาฟ้ากุฎิเจ้ากุฎิเจ้าก็ทรงสแสดงธรรมโดยอาการที่เป็นประโยชน์แก่การชําระกรรมฐานเมื่อชําระกรรมฐานได้แล้วก็ได้ที่อยู่ที่เป็นสัพย ะ, จะเจริญวิปัสสนาซ้ําอีกทีหนึ่งบรรลุปเป็นพระอรหันต์เลยท่านจึงมีความ เห็นคุณค่าของปริยัติมากไอ้เรื่องนี้เราถามกันบ่อยว่าการปฏิบัติกับการปริยัตแล้วเวลาตอบก็ตอบเยอะตอบได้หลายแบบอย่างสุดท้ายนี่ก็มีถามจากผู้คงแกเรียนทางปฏิบัติท่านบอกเอ้นี่ไ ม, ไม่ไม่ควรจะต้องไปฟังไอ้ปริยัติเนี่ยตัดตัดออกไปเวลาอบรมมาฐานไม่เหมือนจะไม่จําเป็นพงษ์ก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้เนะ่ะ คือถ้าว่าเป็น ค, คนๆแล้วเนี่ยบางคนไม่ไม่อธิบายชัดแล้วก็ไม่มีทางไม่มีทางที่จะทําให้เขาปฏิบัติหรือทําให้เลื่อมใสเอายกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นเอเบญจวัคคีเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ว่าควักมือแล้วก็จะมาทันทีเมื่อไรล่ะนะแล้วบางคนเนี่ยปฏิบัตอิอธิบายเกินไปก็ทําให้เขาวุ่นเนี่ยพวกปัญญาอ่อนหน่อยนะถ้าปัญญาจริตเนี่ยทิฏฐิจริตต้องการาบทอธิบายท้าตาย แล้บางทีอธิบายไปแล้วตั้งห้าปีถึงโทรโทศัพท์มาทีหลังบอกว่าโอ้เพิ่งเข้าใจเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองและอบางบางคนที่ว่าอธิบายไม่ได้คืออธิบายแล้วเขาวุ่นน ะ, ะต้องค่อยๆเขาทํากระเถบกระเถิบไปทีละหน่อยเข้าใจได้แค่เนี้ยทําก่อนทำอธิบายมากเขาวุ่นเขาไม่มีอะไรที่มาเป็นทิฏฐิมาอะไรที่จะมาวุ่นวายก็เออทําไปก็ทําไป นี่ในแง่งตัวบุคคลแต่ในแง่เหตุผลทังผู้สอนก็อธิบายไปอีกแบบแต่ถ้าทํารวมๆกันแล้วเนี่ยมันจะต้องมีหลักกลางๆที่ต้องอธิบายให้เป็นประโยชน์แก่การอฏิบัติและการอธิบายเนี่ยก็เลยบอกว่า อ, อ, อธิบายพระพุทธเจ้าอธิบายยังไงบ้างหนึ่งอธิบายบอกอา น, นิสงส์หลายขั้นแต่ละคนอาจจะบอกในเวลาอย่างเช่นอบรมเป็นคณะเนี่ยเวลาแต่ละเวลาบอกอา น, นิสงส์ต่างกัน หรือว่าเป็นคนก็แต่ละคนแต่ละเวลาบอกอนนี้สองทางกันแล้วก็บอกถึงอุปสรรคกิเลสแล้วก็บอกถึงอา่าจริยธรรมที่เกิดขึ้นอธิบายถึงจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมและบอกถึงกุศ ล, ลธรรมที่เป็นตัวปฏิบัติที่มันปรากฏเกิดขึ้นถ้าคนมันไม่ถึงไม่บอกในบอกแหมในคุณนะทําไปแล้วทยานหกเกิดแล้วมันเป็นอย่างงี้อย่างนี้ คุณต้องแก้อย่างนี้เขาไม่มีทางเข้าใจรู้ไปก็เกือบจะเท่านั้น่สำหรับบางคนนะถ้าเขารับไม่ได้แต่คนแล้วเขาฟังเขารู้จักรับเนี่ยเออเขาฟังเอารู้ไว้กวางๆทำตรงไหนพวกฉลาดนะพูดได้ถ้าพวกไม่ฉลาดพูดบางทีพูดถูกก็เอาไปเข้าใจเป็นผิดใช้เป็นผิดพระพุทธเจ้าถึงต้องรับหน้าคนหลายแบบวฤวิการต่างๆค บางคนถึงมาขอให้พูดยังไม่พูดเลยขอตั้งสามครั้งยังไม่พูดเลยบางทีบางคนไม่ขอพยายามจะขอจะพูดให้ฟังขอจะพูดให้ฟังอย่างเบญจวัคคีเป็นต้นเอเลยขอว่าถึงท่านองค์นี้ให้จบท่านประทับใจในกรรมฐานเพราะอะไรเพราะความสําเร็จในปฏิบัติของท่านเนี่ยอาศัยการสดับปรับฟังเป็นปัจจัยอย่างสําคัญ ลองฟังถ้อยคําของท่านนะท่านบอกว่าท่านบอกในหมายก็ว่าท่านได้บอกกล่าวสอนแก่พระที่ทํากรรมฐานอยู่ในป่าเพื่อขี้แจงเรื่องนี้เราก็ไม่รู้ว่าพระสมัยนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกต่อปริยัติเป็นอย่างเดีน๋นี้แค่ไหนยังไงหรือไม่แต่จะอย่างไรก็ฟังท่านไว้ท่านกล่าวว่าบุคคลผู้ต้องการ ท่านว่าอย่างนี้ครับการฟังเป็นความดีสือสูตะาการศึกษาเราเรียนความประพฤติมักน้อยเป็นความดีนี่เข้าไปสู่ของพื้นฐานเบื้องต้นของพรมาจารย์การอยู่โดยไม่มีห่วงใหญ่เป็นความดีทุกเมื่อนี่คือเรื่องของ เ, ออเรียกว่าจิตตวิสุทธิจิตตวิเวกเนในการกเรียน การถามถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความดีในท่านก็พูดรัดกลุก่มนะแสดงว่าไอ้ถามเนี่ยมันมีทั้งเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เมื่อท่านมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติท่านก็ไปถามถึงสิ่งประโยชน์ที่เกี่ยวกับปฏิปทาเพื่อประโยชน์สูงสุดเป็นความดีการทำตามโอวาทโดยเคารพคือตามคำสั่งสอนที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติเป็นความดีกิจมีการฟังเป็นต้นนี้ นี่เป็นท่านกล่าวทบทวนอีกทีถึงใช้คาว่าเป็นตน้นเป็นเครื่องสงบของผู้ไม่มีกังบดหมายถึงสงบจากกิเลสวิธีปราบกิเลสกระบวนการั้งการปราบกิเลสวันนี้เราพักไว้ที่องค์ที่สามสิบเจ